รับยามเช้าแล้วก็พร้อมต้อนรับพร้อมต้อนรับทุกสิ่งทุกอย่างที่บัเกิดขึ้นกับกายและใจเราก็เอากายนี่เป็ น, ปนพื้นหรือเป็นที่ตั้งของใจ หรือว่าเป็นอารมณ์กรรมฐานให้ใจมากำหนดรู้เบาๆไม่ต้องถึงกับเพ่งแต่ถ้าหากว่าเกิดมีความคิดปรุงแต่งขึ้นมาและพาใจออกไปจากกายก็ให้มีสติรู้ รู้ในความคิดนึกที่เผลิงุูมขึ้นมาเมื่อรู้แล้วสติก็จะพาใจกลับมาอยู่ที่กายเช่นเคยบางครั้งอาจจะเกิดเวทนาขึ้นมา ใจก็ไปจมอยู่กับเวทนานั้นแล้วก็พลอยทุกพลอยติดเชื้อแห่งความทุกข์จากเวทนานั้นก็กลายเป็นว่าไม่ใช่แค่ทุกข์ใเดียวก็กลายเป็นทุกข์ใจด้วยอันนี้เพราะว่าใจเผลอเข้าไปกุกเรา กับทุกเวทนาก็ให้สตินั่นแหละถอนใจออกมาจากเวทนาดูดูหยวงห่างแต่ก็ไม่ต้องถึงตามที่ดูนั้นจะลืมว่าเราก็ยังมีกายมาเป็นเป็นการบ้านของใจให้ใจนั้นรับรู้กาย ก็กลับมาที่กายให้ขยันเป็นผู้รู้นะให้เราฝึกในการที่จะมีความสงบจากการที่ได้รับรู้อารมณ์ต่างๆความสงบนั้นก็มีสองแบบคือสงบแบบไม่รู้เช่นเก็บตัวอยู่ในห้องไม่รับรู้อะไร ที่เกิดขึ้นกับโลกภายนอกหรือว่าปิดหูปิดตาจะเก็บตัวในที่สงบสงัดเพื่อไม่ให้มีอารมณ์ใดมากระทบอันนี้ก็สงบได้หรือว่าเอาจิตไปปักไปเพ่งที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของกายมันก็ไม่ไปรับรู้อารมณ์อื่นก็ดีเหมือนกันแต่ว่า เราควรจะเรียนรู้การเข้าถึงความสงบทั้งทั้งที่รู้ทั้งทั้งที่มีอารมณ์มากระทบแต่ก็สงบได้เพราะมีสติเป็นเครื่องรักษาใจหมายความว่าเวลา หูได้ยินเสียงตาเห็นรูปเกิดเวทนาขึ้นมาก็มีสติรู้ในเวทนานั้นไม่ปรุงแต่งต่อไปอเวลามีความคิดนึกเกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจคือเผลอคิดและมีสติรู้พอรู้แล้วก็วางได้ ความห ม, ดมุดอิจฉาใจเกิดขึ้นรู้รู้แล้วก็วางได้แม้มีความเพลิดเพลินยินดีก็รู้รู้แล้วก็วางไม่เข้าไปคุกค ao คลอกเคลียด้วยความยินดีหรือพยายามเข้าไปผักใสด้วยความไม่ชอบอันนั้นเราทำมามากแล้ว ให้วางใจเป็นปกติต่ออารมณ์ต่างๆที่มากระทบไห้ว่าบวกหรือลบไม่ผักใสแล้วก็ไม่ฝ่หาหรือไม่เอาทั้งนั้นบางครั้งใจอยากจะผักใสความคิดนึกหรือเวทนาที่ไม่ชอบ แต่พอเขาไปผักสเท่านั้นแหละก็ติดเลยติดมันมีแรงบิงดูดหรือว่าติดกับดักของมันมันล่อให้เราไปผักสแต่พอเราไปผักสาเขาก็ติดติดกับดักของมันเหมืนอนที่ได้เล่าว่าไก่ป่ามันจะเข้าไปไล่ไก่ที่เข้ามาร่อเอาไว้ พอจะเข้าไปไล่มัเทานั้นแหละก็ติดกับดักของพลนันที่ก็ต้องการจับยิ่งจะไปผักสก็ยิ่งติดนกับดักเพราะฉะนั้นเราก็ให้วางใจเป็นอุเบกขาคือดูอยวงห่างแล้วความสงบก็เกิดขึ้นได้ จากการที่มีสติคือผู้รู้พาใจ้อนออกจากอารมณ์ต่างๆที่มากระทบสงบไม่ใช่เพราะไม่รู้สงบไม่ใช่เพราะว่าปิดหูปิดตาแต่สงบ ทั้งทั้งที่รู้ก็มีสติหูดินเสียงตารับเป็นภาพก็ไม่มีอ า, อารมณ์ใดๆเข้ามามาหลอกล่อจิตให้เขาไปคุกเขลาหรือพักสได้เพราะมีสติเป็นเครื่องรักษาใจสติความระลึกได้ เมื่อเลืได้ก็ไม่เผลอเมื่อเลืได้ก็ความตระหนักรู้หรือความตื่นรู้ก็ตามมาอันนี้ก็ให้เราฝึกหรือมันในการเป็นผู้รู้อยู่ได้เรื่อยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็รู้รู้โดยไม่เอา เมื่อรู้ตัวไม่ออม ก, ก็ละไปเองเมื่อละไปเองก็จิตก็เป็นปกติเมื่อเป็นปกติความสงบก็เกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้อยากให้มันสงบแต่ว่าก็เป็นไปตามธรรมชาติของใจตรงข้ามถ้าทำด้วยความอยากความอยากมันก็คล้อ ง, งําใจทาให้เสียความปกติไป ทำให้จิตคอยไปอยู่กับอนาคตคือมองไปข้างหน้าว่าเมื่อไหร่จะได้ตรงนี้เมื่อไหร่จะเกิดขึ้นเกิดความสงบขึ้นจิตก็ไปอยู่กับอนาคตไปอยู่กับข้างหน้า ป, ปุจุตหมายปลายทางข้างหน้าไม่ได้อยู่กับปัจจุบันแล้วให้เราอยู่กับปัจจุบันตลอดฝึก อ, อยู่กับปัจจุบันโดยไม่โดยไม่มีปฎิกิริยาบ้าง มีจิตวิยามามากแล้วก็ไปครอบครองก็ไปผักไสอนี้นให้เรารู้เฉยเฉยรู้เฉยเฉยแม้ใหม่ๆจะคุ้งซ้างมากกว่าที่ใจจะปกติแต่เราก็มั่นเปลี่ยนบดมเพาะความตื่นรู้นั้นเอาไว้เรื่อยๆนอ เ, เรียนสปิตรายมมากๆสปิก็ายจะทำงานแล้วก็ช่วยทำให้ เกิดความปกติในใจมากขึ้นเรื่อยๆและความสงบก็จะบังเกิดขึ้นมาเองและถ้าความสงบอันเนื่องมาจากความตื่นรู้เกิดขึ้นมากเพียงพอ mm. ก็จะเกิดปัญญาเห็นความเป็นไป mm. เข้าใจความเป็นไปหรืออาการต่างๆของความรู้สึกนุกคิดที่เกิดขึ้นว่ามันไม่เที่ยง มันไม่แน่นอนมันเต็มไปด้วยความบีขั้นเพราะว่ามันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนอันนี้ก็จะเกิดขึ้นความยึดติดในตัวตนก็จะความเผลอยึดติดในตัวตนก็จะค่อยๆคลายจางเบาบางไปเรื่อยๆก็จะฉลาดขึ้น ในการเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆทั้งภายในและภายนอกก็คอยเราตั้งใจปฏิบัติ